ซับสี่ชนิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมพราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ไว้สี่ชนิดคือหนึ่งบัญญัติทรัพย์ของพราหมสองบัญญัติทรัพย์ของกษัตริย์สบัญญัติทรัพย์ของแพทย์ 4. บัญญัติทรัพย์ของสูตรในทรับสี่ชนิดนั้น พรามทั้งหลายบัญยัติรับของพรามคือการเที่ยวไปเพื่ออาหารแต่พรามเมื่อดูหมินทรับคือการเที่ยวไปเพื่ออาหารชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของเขามิได้ให้พรามทั้งหลายบัญญัติรับของพรามไว้เช่นนี้แลพรามทั้งหลายบัญยัติรับของกษัตริย์คือแล่งธนูแต่กษัตริย์เมื่อดูหมินรั์คือแล่งธนูชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิด เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรย์ของกษัตริย์ไว้เช่นนี้แหลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของแพทย์คือกสิกรรมและโครากกรรมแต่แพทย์เมื่อดูหมิ่นทรัพย์คือกสิกรรมและโครากกรรมชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ พรามทั้งหลายบัญญัติรับของแพทย์ไว้เช่นนี้แลพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติซัพย์ของสูตรคือเขียวและไม้คานแต่สูตรเมื่อดูหมิ่นทรัพย์คือเขียวและไม้คา น, น, คคานชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ผิดเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นพราหม์ทั้งหลายบัญญัติทรัพย์ของสูตรไว้เช่นนี้แลท่านพระโคดม พรามทั้งหลายย่อมบัญญัติทราบไว้สี่ชนิดนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมจักตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามชาวโลกทั้งปวงเห็นด้วยกับคำนั้นว่าพรามทั้งหลายบัญญัติทราบไว้สี่ชนิดเท่านี้หรือเอสุการีพรามทูลตอบว่าไม่ใช่ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราม บุรุษผู้ขัดสนไม่มีทรัพย์สินสิ่งไรเป็นของตนยากจนชนทั้งหลายแขวนก้อนเนื้ออาบยาพิษไว้สำหรับเขาซึ่งไม่ชอบพอกันโดยแกล้งพูดว่าพ่อคุณเชิญท่านกินเนื้อนี้แต่ต้องจ่ายค่าเนื้อเพิ่มขึ้นแม้ฉันใดพรามทั้งหลายบรรยัญจัตทรัพย์ไว้สีประเภทแกสมณพรามเหล่านั้นฝ่ายเดียวโดยไม่มีฝ่ายอื่นยินยอมฉันนั้นเหมือนกัน แต่เราบัญญัติโลกุตระธรธรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลเมื่อเขาเระลึกถึงวงตระกูลเก่าอันเป็นของมารดาบิดาอัตภาพเกิดในวงตระกูลใดๆก็นับตามวงตระกูลนั้นๆถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็นับว่าเป็นกษัตริย์ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็นับว่าเป็นพราหมณ์ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลแพทย์ก็นับว่าเป็นแพทย์ ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลสูตรก็นับว่าเป็นสูตรเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นก็นับตามเชื้อนั้นๆถ้าไฟอาศัยไม้ติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟไม้ถ้าอาศัยหยักเยื่อติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟหยักเยื่อถ้าอาศัยหญ้าติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟหญ้าถ้าอาศัยมูลโคติดขึ้นก็นับว่าเป็นไฟมูลโคแม้ฉันใด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 ถ้าอัตภาพเกิดในตระกูลสูตรก็นับว่าเป็นสูตรคนจะดีหรือชั่วไม่ใช่เพราะตระกูลพราหม์ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบนรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคําหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิ ยินดีครูสุลธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ละถึงถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลสูตรบวชเป็นบนรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์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 ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือย่อมสามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถหรือเอสุการีพราหมณ์กราบทูลว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรละถึง ข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงในประเทศนี้แม้วันะทั้งสี่ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามอย่างนั้นเหมือนกันแลถ้าแม้กุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตทถทาคตรประกาศแล้วเป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ เว้นข่าจากการลักทรัพย์เว้นข่าจากพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์เว้นข่าจากการพูดเท็จเว้นข่าจากการพูดส่อเสียดเว้นข่าจากการพูดคาหยาบเว้นข่าจากการพูดเพ้อเจอ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีคุโสธรรมอันเป็นเครื่องนาออกจากทุกข์ถ้าแม้กุลบุตร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 เว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีคุโสธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์พรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรพรามเท่านั้นหรือย่อมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้าแล้วลอยละอองธุรีได้กษัตร แพทย์สูตรไม่สามารถหรือเอสุการีพรามกราบทูลว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคโดมแม้กษัตริย์ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วลอยละองทุลีได้แม้พรามแม้แพทย์แม้สูตรละถึงข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงในประเทศนี้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 เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเลงอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีคุสลธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์พรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรพระราชามหากษัตรในโลกนี้ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วจะพึงทรงเกณฑ์บุรุษผู้มีฐานะต่างๆกันร้อยคนใหมาประชุมกันตรัสว่า มาเถอท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ราชตระกูลบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกพโพล่ขึ้นมาเถอท่านทั้งหลายในจำนวนบุรุษเหล่านั้นบุรุษเหล่าใดเกิดจากตระกูลจันทาน ตระกูลพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลคนขนขยะบุรุษเหล่านั้นจงถือเอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีให้ไฟลุกโพล่ขึ้นพรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพรามราชตระกูล ถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันหรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโพล่ขึ้นเท่านั้นหรือเป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สำเร็จได้ส่วนไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลในพรานตระกูลช่างจักสารตระกูลช่างรถตระกูลค น, คนขนขยะ ถือเอาไม้รางสุนักไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโพลงขึ้นนั้นเป็นไฟไม่มีเปลวไม่มีสีไม่มีแสงสว่างและไม่สามารถทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นให้สาเร็จได้กระนั้นหรือเอสุการีพราหม์กราบทูลว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านพระโคดมแม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพรามณ์ราชตรีกูลถือเอาไม้สักไม้สาละไม้สนไม้จันท์หรือไม้ทับทิมมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโพล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทํากิจที่ต้องทําด้วยไฟนั้นให้สําเร็จได้แม้ไฟที่บุรุษทั้งหลายผู้เกิดจากตระกูลจันทานตระกูลในพรานตระกูลช่างจากสารตระกูลช่างรถ ตระกูลคนขนขยะถือเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทําเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้ไฟลุกโผล่ขึ้นนั้นก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่างและสามารถทํากิจที่ต้องทําด้วยไฟให้สําเร็จได้ท่านพระโคดมความจริงแม้ไฟทุกชนิดก็เป็นไฟมีเปลวมีสีมีแสงสว่าง และสามารถทากิจที่ต้องทำด้วยไฟให้สำเร็จได้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามอย่างนั้นเหมือนกันถ้าแม้บุคคลออกจากตระกูลกษัตริย์บวชเป็นบรรณชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์เว้นขาจากการพูดเท็จ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 มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีคุศลธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมโปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลเอสุการีสูที่หกจบเจ็ดนันชานิสูตรว่าด้วย พราหมชื่อธนานชานิเข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักกินาคีรีชนบทพร้อมโดยภิกษุหมูใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ในกรุงราชครือได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร ถึงทักคีนาคีรีชนบทได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านพระสารีบุตรด้วยถามภิกษุนั้นว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคไม่ทรงประชวนและยังทรงมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุนั้นกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีประภาคไม่ทรงประชวน และยังทรงมีพระกำลังอยู่ขอรับภิกษุสง์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือแม้ภิกษุสง์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ขอรับพราหมณ์ชื่อทนัญชานิอยู่ใกล้ประตูตันทุลปาลิในกรุงราชครืนั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่หรือแม้ธนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ขอรับ ทนาญชานิพรามยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือภิกษุนั้นกราบเรียนว่าท่านผู้มีอายุทนาญชานิพรามของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาที่เอเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพราหมณ์และข้บดีอาศัยพวกพราหมณ์และขหบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้พัญญาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลมีศรัทธาก็ตายไปเสียแล้ว พัญญาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลไม่มีศรัทธาท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุการที่เราได้ฟังว่าธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้ากระไรเราจะได้พบกับธนัญชานิพรามณ์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างครั้งนั้นท่านพระสารีบุตร อยู่ในทักคินาคีรีชนบทตามอัธิยาายแล้วจึงจาเรียกไปทางกรุงราชครึกเที่ยวจาเรียกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชครึกแล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเวลุวันสถานที่ให้เยืกระแตเขตกรุงราชครึกครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาศถือบาทและจีวรเข้าไปบิทบาทยังกรุงราชครึก สมัยนั้นทนาญชานิพราหม์ใช้คนให้รีดนมโคซึ่งอยู่ที่ค้อโคนอกกรุงท่านพระสารีบุตรเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครึกรลับจากบินธบุรภายหลังฉันพัฒนารเสร็จแล้วเข้าไปหาทนานชานิพราหมณ์ถึงที่อยู่ทนาญชานิพราหมณ์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกําลัางเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า นิมนต์เด่มนมสดทางนิเถิดพระคุณเจ้าสารีบุตรยังพอมีเวลาสำหรับฉันพัตหารท่านพระส า, ารีบุตรกล่าวว่าอย่าเลยพราหม์วันนี้อาตมาภาพทำพตกิจเสร็จแล้วอาตมาภาพจะพักรางวัลที่โคนไม้โน้นท่านควรจะมาพบอาตมาภาพที่โคนไม้นั้นทนันชานิพราหม์รับคำแล้วต่อมาทนาชานิพราม์บริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้ว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 ท่านพระสารีบุตรได้ถามทนัญชานิพราหมว่าทนัญชานิท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือทนัญชานิพราหมได้ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมจะไม่ประมาทได้อย่างไรเพราะโยมต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภัญญาต้องเลี้ยงผู้ทาสกรรมกรและคนรับใช้ต้องทากิจที่ควรทาแกมิตรและอมตต้องทากิจที่ควรทำแกญ า, าสาโลหิต ต้องทำกิจที่ควรทำแกแขกต้องทำบุญที่ควรแกบุพเพเทชนต้องทำการบูงสวงที่ควรทำแกเทวดาต้องสนองพระราชการณียกิจของพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องบารุงบําเรอท่านพระสารีบุตรถามว่าทนานชานิท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สมาเสมอ เพราะเหตุแห่งมารดาบิดานายนิริยาบาลพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดคร่าขา้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือมารดาบิดาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอาธรรม ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยบาลอย่าฉุดคร่าเขาไปยังนรกเลยทนาญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรไม่ใช่ที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งบุตรและพัญญาในนิริยบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและพัญญาขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดคร่าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือบุตรและพัญญาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่า คนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอในนิริยาบาลย่าฉุกคร่าเขาไปยังนรกเลยไม่ใช่พระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายในนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้ในนิริยาบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้ขอนายนิริยาบาล อ, อย่าฉุดคร่าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือพวกทาตกรรมกรและคนรับใช้ของผู้นั้น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 ประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตนายนิริยาบาลจะพึงจุดแคร่เขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรอมาตขอนายนิริยาบาลอย่าจุดคร่ข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือมิตรและอมาตของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่า คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอในอนิรยาบาลอย่าฉุดคร่าเขาไปยังนรกเลยไม่ใช่พระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ามครวญมากมายในนิรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตในนิริยาบาลจะพึงฉุดคร่าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าเขาพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดคร่าเขาพเจ้าไปยังนรกเลยหรือญาสาโลหิตของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่า คนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สมำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาลอยาฉุกร่าเขาไปยังนรกเลยไม่ใช่พระกุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สมำเสมอเพราะเหตุแห่งแขก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 เพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาขอนายนิริยาบาลอย่าฉุกคร่าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือเทวดาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอในนิรยาบาลอย่าฉุดคร่เขาไปยังนรกเลยไม่ใช่พระกุธเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายในนิรยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาในนิรยาบาลจะพึงฉุดคร่เขาไปยังนรก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 นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรได้ข้ออ้างหรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายขอนายนิริยบาลอย่าฉุดคราะข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือชนเหล่าอื่นของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างหรือว่าคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายขอนายนิริยบาลอย่าฉุดคร่าเขาไปยังนรกเลยท่านันชานิพราหม์ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรไม่ใช่ที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายนายนิริยบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านันชานิท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมานดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมานดาบิดาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันทนัญชานิพรามตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมานดาบิดาไม่ประเสริฐ ส่วนบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอการงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงมารดาบิดาไม่ทําบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและพัญญากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและพัญญาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันเพื่อุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและพัญญาไม่ประเสริฐ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 บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้บุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาตกรรมกรและคนรับใช้ไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอ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 บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตประเสริฐกว่า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 บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประ SAND, พฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาสาโลหิตประเสริฐกว่า แท้จริงการประพฤติ ธ, ธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติธอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอการงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณยียกิจแก่ญาสาโลหิตไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติธอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแคร กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ ระเสริกขวาการประพฤติธอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอการงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทํากรณียกยิจแก่แขกไม่ทําบาปและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติธอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุพเพตชนกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอ เพราะเหตุแห่งบุคภะเปตชนบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุคระเปตชนไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุคระเปตชนประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ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 กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติธอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ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 การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกียจแก่พระราชาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุคคลผู้ประพฤติธอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกาย บุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันทนานชานิพราหมณ์ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอ ประเสริฐกว่าการประพฤติ ธ, ธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าทานันชานิการงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถบำรุงบำเรอกายไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่